นีม่มาดูแม่โคที่ถลกหนังบ้างภาษาหานภาษาหานในข้อเปรียบเทียบด้วยแม่โคที่เขาถลกหนังนะโคหนังปอกมีอธิบายว่าแม่โคแม่โคนมเนี่ยนะแม่โคลูกอ่อนเขาก็ถลกหนังตั้งแต่คอแล้วก็กรีดรอบคอเลยกรีดรอบคอเสร็จแล้วก็ถลกนีคือเขากรีดหนังโคเนี่ยเขากรีดรอบคอเสร็จแล้ว ก, ออก็กรีดอกกรีดอกแล้วก็ถลกออก แล้วจนถึงที่ปลายเล็บแล้วก็ปอกออกหมดเรียบร้อยเลยที่นี่เจ้าก็แล้วก็เอามันไปทิ้งไว้นะเขาเอาแต่หนังมันไปเอาแต่หนังไปใช้งานมันก็จะถูกสัตว์ที่มีชีวิตกัดกินในที่ที่มันอยู่อาศัยมันมีแต่เรื่องทุกข์ถ้ามันไปอยู่โคลนไม้จะเป็นยังไงไปอยู่โคนไม้สัตว์ที่อยู่ใต้ร่มไม้ก็จะกัดกินไปอยู่กลางแช้ง สัตว์ที่อยู่กลางแจ้งก็กัดกินถ้าลงไปในน้ำํำจะได้หนีให้พ้นพวกโอ้ยพวกไอสัตว์ที่อยู่ในน้ำเนี่ยมันก็ตอดเล็กตอดน้อยกัดอยู่นั่นแหละเคยเป็นแผลเนี่ยนะเป็นแผลแลเราลงอยู่ในน้ำนะโอ้ยพวกสัตว์เล็กๆมากัดอยู่นั่นนะขึ้นบนบกก็มาแรงหวีใช่ไหมกัดกัดกๆพอลงไปในน้ําไอสัตว์น้ําก็กัดกัดกัดกัดงี้เราเป็นแผลนิดเดียวนะถามว่าทักแม่ถูกปอกหนังถลกหนังทั้งทั้งตัวเลยจะเป็นยังไง ก็มีแต่เร kind of like, ื่องทุกข์ฉันนั้นมีแต่เรื่องทุกข์ไปที่ไหนก็มีแต่กองทุกข์นี่ถ้าเราเห็นตาหูจมูกลิ้นกายนี่เป็นเหมือนแผลไปที่ไหนก็รับแต่ผัสสะฉันนั้นอันวัตถุหรืออารมณ์ใดๆสถิตอยู่ก็มีแต่เรื่องทุกข์ที่ให้เสวยแล้วเท่านั้นอันเกิดจากวัตถุและอารมณ์เมื่อมีแผลคือตากระทบกับสีก็เกิดผัสสะเวทนาใช่ไหมก็มีเรื่องทุกข์ทห่ลือสืบเนื่องมาจากทวารตามีแต่เรื่องทุกข์สืบเนื่องมาจาก ทวารหูทวารจมกูกทวารลิ้นทวารกายและทวารใจก็บอกนี่มองโลกในแง่ร้า ย, ายไอ้ที่สุขก็มีเยอะแยะไปทำไมไม่คิดถึงสุขนั่นแหละมันจ่ายด้วยทุกนันแหละนะเขาบอกว่าความสุขในโลกนี้จ่ายด้วยทุกหมดเลยนะจ่ายด้วยน้ําตาจ่ายด้วยโศกกาปริเทวะทุกโทโมนัสและอุปายาตจิงอยู่ตอนต้นอาจจะเป็นความสุขอย่างมากเหมือนทานอาหารที่อร่อยมาก แว่าผลพวงก็คือท้องเสียเป็นต้นเนีนะเพราะฉันใดก็ดีทุกอย่างในโลกนี้ก็จะเป็นลักษณะนั้นหน้าเพลิดเพลินหน้าเต็มอกเต็มใจอยู่แล้วมีความสุขแต่ก็จ่ายด้วยความทุกข์เนี่ยนะกำไรของโลกนี้คือโสกปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปาญาตทาอะไรก็ช่างเนี่ยคือกําไรของโลกนี้ประกอบอะไรทําอะไรทํารวยทำเจงทําแล้วมีทําแล้วหมดทําแล้วอะไรก็ช่างเลยจบแล้วด้วยโสกปริเทวะทุกขโทมนัตและ อุปายาตเนี่ยนะบนโสกะปริเทวะเนี่ยก็โอนโนบ น, บ น, บนมีอะไรก็บนสิ่งนั้นนะไม่เชื่อลองถามตงเรื่องดูเรื่องบางอย่างเนี่ยนะโอ้ยปุ๊บปเนี่ยที่เหลือนะเราพูดคําเดียวพอแล้ที่เหลือตงเรื่องพูดหมดเว้นแต่อริยสัจแค่นี้แหละเพราะว่าภาษาฮานี่มันไม่ธรรมดาว่างั้นนะรับกระทบขึ้นมาแล้วก็โอ้ยไรรับกระทบเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาแล้วก็ยาวเลยว่างั้นเปลี่ยนหัวข้อบางประเด็นให้ได้ยินทวารหูปั๊บแค่นั้นแหละเดือดเลย ทวารจมูกบางอย่างรับปั๊บนี่นเดือดเลยนะทะวาร ล, ลิ้นรับปั๊บเดือดเลยนะั้นทุกภาษาทุกทวารก็จ่ายด้วยโสกาปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาสนะหน้าเพลิดเพลินในเบื้องต้นโอ้ยจ่ายอย่างอย่างเบาเลยนะ้นําตาไหลเนี่ยนะแคจ่ายแค่น้ําตาไหลเนี่ยอุย้ยเบามากถือว่าเป็นการลงโทษที่เบาที่สุดเนี่ยนะแค่เครียดเฉยๆนี่ก็ลงโทษเบาน้ําตาไหลก็เบา จ่ายด้วยเหงือ่อด้วยเลือดก็เบานะจ่ายด้วยชีวิตก็ถือว่ายัางเบาอยู่อีกบทีจ่ายด้วยอบายทุกติวินิบาตนรกนี่หนักที่สุดแล้วเนี่ยนะพวกอย่างนี้อย่าไปคิดว่านี่เอามาขู่เอามาไม่ได้ขู่เล่าให้ฟังเนี่ยนะก็ลองไปเถอะสังสารวัตเพียงแต่ว่าปัญหาว่าไ ป, ไปรับสภาพนั้นก็เลยโง่ลืมหมดเลยเนี่ยนะไม่รู้ไปยังไงมายังไงก็าโมแต่โง่เขางมงายพอไปเจอสิ่งที่ดีเขาโมแต่เพลินอยู่ ก็ลืมไม่สนใจไม่ต้องรับรู้อดีตไม่ต้องรับรู้อนาคตอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลไม่ต้องไปสนใจมันฉันอยู่ของฉันก็สบายดีแล้วตามสบายเถิดเนี่ยนะตามใจกันละกันอย่างนั้นนะแต่ว่ามันก็เป็นอย่างนี้จริงๆแต่ทีนี้ปัญหาว่าเราเนี่ยเป็นคนที่แบบลืมอะไรง่ายความทุกข์ที่เคยผ่านมาก็เออก็ธรรมดาอย่างนั้นนะทั้งทุกข์ที่จะมีต่อไปในอนาคตก็ธรรมดาเพราะเราทนได้ที่จะอยู่ในโลกก็เราเป็นแมงปูตุชนก็เรายังมีกิเลส โอ้ยจำนวนจริงๆเลยนะจำนวนต่ อ, อบาปอากุศลแต่ไม่ค่อยจํานวนต่อความดีใช่ไหมไม่จํานวนที่จะทําเหตุแห่งความดีก็เลยมีแต่ความทุกข์สแสวงหาภาาัสสะจริงก็ชีวิตในโลกนี้ก็สแสวงหาภาาัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจรับรู้เรื่องราวต่างๆแต่น้อยนะักที่บอกเมื่อไหร่จะรับประทบอะไรนะสุญญาตาสัมผัสอนิมิตตาสัมผัสอั ป, ปนิหิตตสัมผัส น, นะเมื่อไหร่นะจะได้สัมผัสท่านิพานอันไม่ตาย พ่อของบางคนก็อนุญาตให้ลูกบวชพอลูกบวชแล้วลูกจงได้สัมผัสพระนิพพานเถิดพ่อของนางอะไรนะอิสิทาสีอิสิทาสีเนี่ยพ่อก็บอกว่าเออเมื่อลูกบวชแล้วขาขอให้ลูกได้สัมผัสนิพพานเธอเหมือนกันนี่มาดูมโนสัญเจตนาหารบ้างในข้อเปรียบเทียบด้วยหลุมฐานเพลิงพึงอทราบอธิบายดังต่อไปนี้ว่าพบทั้งสาเหมือนกับหลุมฐานเพลิงเพราะอัฐวรอนระอุ ด, ด้วยความร้อนมากมาย ร้อนด้วยไรร้อนด้วยชาติชรามรณโาโศกกปริเทวะทุกโทมนัสและอุปาญาร้อนด้วยไฟคือราคะโทสะและโมหะเนี่อร้อนทุกแห่งเนี่ยนะหย่อนลงไปเหอะชาติชรามรณาโศกกาปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาตเป็นที่อย่งลงแห่งราคะโทสะและโมหะเนี่ยมโนสันเจตนาหานก็เหมือนกับชายสองคนต่างพากันเนี่ยจับที่แขนสองข้างข้างละคนเนี่ยนะก็กระชากลงไปในหลุมฐานเพลิงเพราะอาถรว่าฉุดกระชากเข้าไปในภพทั้งหลาย จับโยนลงไปในภพเนี่นะโอ้ยชาติเผาไฟคือชาติกร้อนระอุไฟคือชรา ม, มรณะเป็นที่ตั้งแห่งโสกกระเนื้อลุกท่วมจนไม่สามารถจะอยู่นิ่งได้เคยเห็นไหมบางทีที่จริงอ่ะในร่างกายของเรามันจะมีความร้อนอยู่ในตัวสองแั้นจะมีไฟออกนอกตัวเลยนั้นเวลานั่งอยู่ที่ไหนถ้าแบบนี่มันจะร้อนระอุอยู่ที่ตรงนั้นอนะ่ะเพราะไฟมันลุกท่วมเนี่ยไฟคืออะไรชีรณะเตโชมันเผาตลอดเวลาอ่ะ น, นะไฟที่มันเผาให้ชราเนี่ยนะ ถาธาตุไฟไม่ทํากิจไม่ชราขนาดนี้เนะาะธาตุไฟมันทำกิจเผาสัผิวหนังก็เริ่มมีปัญหาเป็นต้นนก็ถูกไฟเผาไฟภายในนั่นเลยในที่สุดชราและมรณะป่วยกิเลส ก, ก็กลุ่มโรมเาวันพบสเนี่ยนะพบทั้งสาก็ร้อนด้วยเป็นที่ตั้งแห่งไฟคือราคะโทสะและโมหะไฟคือชาติชรามรณะโศกปริเทวทุกโทมณัตและอุปาญาก็ลูกโชนชายสองคนก็ชายสองคนคือกรรมในนันะกชาติแทน ซ้ายกระชักแขนขวาโยนเข้าไปในหลุมฐานเพลิงคือพบสามเหล่านั้นเพราะฉะนั้นภิกษุใดเห็นมโนสันเจตนาหารว่าเช่นกับหลุมฐานเพลิงอยู่อย่างนี้ภิกษุนั้นจะครอบงำความใครในมโนสัญเจตนาหารนี้ได้เห็นเถอะว่าถ้ากายกรรมมจีกรรมและมะโนกรรมของเราทุกคนเนี่ยนะคำพูดทุกคำเ น, นี่ยนะฉุดลงไปในหลุมฐานเพลิงทุกความคิดที่เป็นกรรมทั้งกายกรรมมจีกรรมมโนกรรมทุกทุกอย่างฉุดไปในหลุมฐานเพลิงคือ ล้มคือชาติชรามรณะเป็นต้นเนี่ย เ, ยเมื่อใดเนาะจะกลัวขนาดนี้ให้มันกลัวจริงๆอ่ะนะกลัวไความคิดที่เป็นกรรมเนี่ยนะโดยที่กลัวแม้กระทั่งผลบุญเอาดิกลัวแม้กระทั่งผลบุญที่จะให้ผลนําเกิดเป็นที่ตั้งแห่งชาติชราและมรณะเป็นต้นถ้าถ้ายง่ายได้ก็สามารถทําที่สุดแห่งทุกได้สรุปว่าในธรรมะเนี่ยนะคิดง่ายๆว่าวท่านจะไม่มีการชื่นชมวัตตาให้เราได้ยินง่ายๆหรอก ตอนแรกๆก็บอกว่าพูดถึงกำไ ร, รแห่งความดีหน่าพอใจหน้าปรารถนาะอย่งงางนั้นอย่งงางนั้นอย่งงางนั้นเพื่อให้ออกจากความเลวพอในที่สุดนะท่านจะบอกวัฏฏ ะ, ะเลวร้ายเกินไปออกเธอนะท่านจ ะ, จะไม่อธิบายว่ามันดีอยู่ต่อเธอเนี่ยนะไม่มีคนแล้วพิสูจนทั้งหลายนั่นสวรรค์เธอปฏิบัติเพื่อสวรเธอเนี่ยนะนั่นนั่นการมคุณอันเป็นทิพเธอจงทำทุกอย่างเพื่อให้ประสบกรรมมคุณอันเป็นทิพเธอไม่มีคําสอนเนี่ยเราจะเห็นว่้ไม่มี มีแต่อันิดจังทุกขังอนัตตามีแต่ไม่ที่อย่างมีแต่เป็นทุกพูดเพื่อให้ความทุกเกิดขึ้นใช่ไหมพูดให้เดือดร้อนใช่ไหมบอกว่าการที่พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้บอกนั่นเป็นทางแห่งประโยชน์และความสุขแก่เธอทั้งหลายเนะี่ยชี้บอกประโยชน์ชี้ชี้ว่านี้ทุกมันมีความสุขที่ดีเป็นความสุขที่ไม่เร่าร้อนเป็นความสุขที่ไม่ลำบากเป็นสุขที่ไม่เจือด้วยบาปอากุศลพระองค์ก็พยายามจะชี้แต่ว่าเราฟังยังไม่จบก็เลยเครียดเลยนะบางคนไม่ชอบเลย นีแต่ทุกทุกทุกโอ้ยทุกอะไรกันกันาเขาบอกงั้นก็เลยกลายเป็นว่าเลือกศึกษาธรรมะพราผู้ศาสนาพวกทุกขานิยมกขาบอกงั้นพวกนิยมพูดเอ่อพวกนิยมความทุกพูดถึงแต่ความทุกพูดให้มันเดือดร้อนโอ้ยต้องแก้สิมาช่วยกันแก้ไขโลกจะได้สงบร่มเย็นอยู่กันสบายว่างั้นทําไงดีแต่ตอนก็ว่ากันไปที่นานได้เนี่ยนะฟังยังไม่จบความถ้าจบความนี่อพระพุทธเจ้าสอนทุกจริงแต่หยุดอยู่แค่ทุกใช่ไหม นี้ทุกนี้เหตุแห่งทุกนี้ความดับทุกนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกเนี่ยนะก็ต้องฟังอริยสัจต้องฟังให้ครบทั้ง4อย่าไปฟังข้อเดียวถ้าฟังข้อเดียวเมื่อไหร่บอกโอ้พวกนี้ทุกขานิยมจริงๆพุทธศาสนาเนี่สุขขานิยมสุขที่เกิดจากฌานอภิญญา ม, มัคผลนิพพานนี่ยนะท่านอยากให้เรานิยมความสุขเหล่านั้นได้รับความสุขเหล่านั้นตังหากมาดูวิญญาณอาหารมั้งนะปฏิสนธิซึ่งอีกไม่นานเราก็จะปฏิสนธิใหมนะ่กันแล้วเนี่ยนะ เอานานไหมหลังกี่ปีรอกไม่ได้แช่งนะบอกว่าเปรียบเทียบด้วยการถูกหอกแทงวันละสามอเล่มเนี่ยนะถูกทิ่มมาละสามแค่ฉีดอะไรนะแค่ป่วยไม่สบายฉีดยาเช้าเย็นเช้าเย็นยังกระเดือดร้อนเนี่ยนะอันนี้ถ้าแบบถูกหอกทิ่มมาละสามร้อยหอกจะเป็นยังไงเพิ่งทราบอธิบายดังนี้ว่าในเวลาเช้าชายคนหนึ่งเดือดร้อนเพราะหอกร้อยเล่ม คืมีอยู่เรื่องว่าไอ้คนหนึ่งเนี่ยมีความผิดฐานกบฏต่อพระราชามันมีโครงการจะปฏิวัติจะฆ่าพระราชาทิ้งทหารก็เลยจับได้จับได้ก็เลยไปเล่าความผิดให้พระราชาฟังนะพระราชาเผด็จการก็เลยรับว่าขอให้พระองค์สั่งลงโทษตามที่พระองค์ปรารถนาเถอะพระเจ้าค่ะเอามันไปทิ่มวันละสามร้อครั้งตอนเช้าเอาหอกทิ่มร้อยครั้งแล้วก็อย่าทิ่มซ้ําที่นะเหมือนกันนะ ตอนเที่ยงก็าทิมอีกร้อยครั้งตอนเย็นก็ทิมอีกร้อยครั้งอันเวลาเช้าก็เลยชายคนนั้นก็เดือดร้อนเพราะห อ, อกทิมจํานวนร้อยเล่มห อ, อกทั้งร้อยนั้นก็แทงร่างของเขาให้เป็นบาดแผลถึงร้อยแห่งทะลุไปไม่หยุดในระหว่างตามต่อมาก็ถูกห อ, อกอีกร้อยเล่มก็ทิมเข้าไปอีกตอนกลางวันตอนเย็นก็ถูกแทงไปอีกร่างก็เลยพุนไปหมดแต่ไม่ให้ตายอย่างนีไสมมติเราเป็นเหมือนอมาตะแต่ว่าแหมมันเจ็บปวดแบบเจ็บจริงๆเลยแหละนะ แล้วไม่ยอมให้ตายเนี่ยก็เคยเห็นปลาบางตัวมันเป็นริว้วเป็นริว้วเป็นริว้วเป็นริวนร้ ว, เ ป, วเป็นหมดแต่ไม่ตายอ่ะนะเดือดร้อนห อ, อกเหล่านั้นก็พุ่งบอกเมื่อเป็นเช่นนั้นร่างกายทั้งหมดก็พลนเพราะห อ, อกหลายด้ามที่พุ่งไปไม่หล่นลงในโอกาสที่ห อ, อกหนึ่งร้อยด้ามรุ่นก่อนหล่นไปแล้วหมายความว่าแทงแผลใหม่ๆไปทั่วกายไปหมดเลยทุกของชายคนนี้ที่เกิดเพราะบาดบาดแผล ปากบาดแผลแม้แต่บาดแผลเดียวก็เจ็บนะความทุกข์ก็เจ็บปวดหาประมาณไม่ได้อยู่แล้วจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงทุกขที่เกิดขึ้นเพราะปากแผลปากบาดแผลร้อยแผลแล้วเออส0มอแผลแล้วเนี่ยนะแค่แผลเดียวนี่ก็ทุกเต็มทีเลยนะถ้าร้อยแผลล่ะนี่พูดอย่างนี้แบบว่าหฟังเหมือนเกินจริงนะงจริงๆคนที่อยู่ในสงครามเป็นต้นเนี่ยถูกระเบิดถูกอะไรจริงๆเนี่ยมันแทบจะเป็นเรี้วเป็นไอ้ทุกข์แบบนี้เนี่ยแม้นในหมู่มนุษย์ก็มีอยู่เดรัจฉานก็มีอยู่ไม่ใช่น้อยเนี่ยนะ ปฏิสนธิเหมือนอะไรเหมือนกับเวลาที่หอกตกกระถูกหอกเนี่ยตกถูกการเกิดขึ้นแห่งขันทั้งหลายก็เหมือนกับการเกิดในปากบาดแผลการเกิดขึ้นแห่งทุกนานาชนิดที่มีวัตฏะเป็นมูลมีได้เพราะขันทั้งหลายที่เกิดแล้วเหมือนกับการเกิดขึ้นแห่งทุกขเวทนาในเพราะปากบาดแผลทั้งหลายก็บอกว่าความทุกข์สมมติว่าเกิดในนรกเนี่ย น, ะนรกบางขมเนี่ย จะต้องแบบภูเขาหินเนี่ยบทกลิ้งทับเชา้าเย็นคึ้นกลับแล้วทิ้งกลับกลับไปกลับมาเหมือนกับบทถ น, นนะอ่ะนะวิธีเหมือนลักษณะบทถ น, นนนะ่ะจะทุกอย่างนั้นหรือบางทีก็ถูกเอาแขวนขาขึ้นข้างบนห้อยแบบพวกเนื้อพวกอะไรแล้วก็ถากลงมาหรือไม่บางทีก็จับวางบนพื้นแล้วก็ถากให้เป็นเหลี่ยมเป็นพระแล้วก็ตัดเป็นต้นเนี่ยนะแบบที่เราเราเห็นเขาทากับปลาที่ตลาดเนะี่ยเขาทำแบบนั้นแหละขนาดในในโลกนี้ยังมองเห็นเหด้วยใช่ไหม อย่างไอ้ถลกหนังเป็นต้นเนี่ยกบถลกหนังแล้วก็เห็นเยอะแยะไปเนี่ยนะไม่ใช่ไม่ใช่เคยเห็นนี่เคยถลกด้วยดิไม่ก่อนตื่นเช้ามาได้กบเมาไปถลกหนังเนี่ยนะถลกเสร็จมันก็อาเจียนเออหนักนั่นแหะมาไปที่ไหนเนี่ยเป็นโรคแพ้มาตลอดเลยคันตลอดเคยถลกหนังกบเอาไว้สมควรกับเหตุอ้ยไม่ทุกข์แล้ววะงั้นมันก็คันคันไปติดก็เคยทําเห็ุไว้จะไปบนกับใครเคยถลกมาหลายตัวมันทําใจไวเ้เถอะ ทำเล็กทาอะไรไม่เคยทํากันแล้วไปนะมีบุญอนะ่ะถ้ามีบุญน้องไปทำทำไมนะแต่ว่าถ้าคนที่ได้ทำเนี่ยนะจะเดือดร้อนขนาดไหนแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งไปบินทาบาทเนี่ยนะเห็นแม่บ้านเขาทุบโป๊ะเข้าไปโอ้ยใจนี่แป้วเลยตามชนบทเนี่ยจะไปเห็นบางทีเขาทําครัวหน้าบันไดบ้านนั่นแหละข้างๆทางที่เราเดินนะั่นแหละทีก็เอาเอามีดทํากับข้าวเนี่ยนะ ถ้าเอาถาดเอาเคล็ดปลาออกปลาเป็นๆ น, นั่นแหละถาดชับๆมันก็ดิ้นผลัดๆทำชํานาญมากเลยแต่วูยนี่โทษของการเกิดแท้ๆเลยนะีมันเวลาเกิดขึ้นมาแล้วมาเป็นปลาแต่เข้ามาปลานี่ก็น่าสงสารแต่สงสารคนทำมากกว่าเวลาทุกเหล่านี้มันให้ผลแล้วเขาจะไปเก็บไว้ไหนน้อ no, เนี่ยนะแต่ตอนทําเหตุเนี่ยนะหมายความว่าไอเดราชาตทั้งหลายมันก็สมควรกับผลแห่งกรรมเก่าแล้วล่ะเพราะมันเป็นรับวิบากแต่คนทําเหตุใหม่นี่สิเนี่ยนะ ทำตัวเหมือนปลาในอนาคตนั่นแหละจริงที่ทํานั่นแหละคือตัวเองต่อไปในอนาคตเพราะนั่นทำกับสัตว์อื่นเช่นใดนั่นแหละตัวเองจะรับต่อไปในอนาคตเนี่ยนะเขาไม่รู้จริงๆไอเพราะความไม่รู้เนี่ยมันร้ายแรงเหลือเกินเนี่ยในโลกนี้จะอะไรจะเลวร้ายเท่ากับวิชาความไม่รู้อีกแล้วไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้กรรมไม่รู้ผลของกรรมไม่รู้ทางดีทางเสื่อมทางเจริญเป็นต้นจะทําอะไรเนี่ย มันหมูสัตว์ที่เกิดมาเนี่ยจึงมีสัตว์คอยทําร้ายสัตว์อื่นอยู่ตลอดเวลาที่สัตว์ที่ถูกทําร้ายก็เพราะตัวเองเคยทําเหตุมาในอดีตพันสัตว์หลายตัวที่รับทุกข์ในปัจจุบันก็ผสมกับกรรมเก่านะตามรอยแห่งกรรมเก่าที่ทําแต่ไอคนที่กิเลสใหม่ๆนี่มาทำนี่สิเนี่ยพันใครที่ทําบาปใหม่ๆนี่ถือว่างโง่กว่ากว่าสัตว์ ท, ที่ที่เคยรับอกุศลไม่บากเหล่าว น, น, นั้นเนี่ยนะ ฉันบาปเนี่ยนะถ้าหลบได้ก็หลบเลี่ยงได้ก็เลี่ยงหลีกได้ก็หลีกเทอเหมือนกับคนตาดีเนี่ยนะเห็นน้ำเห็นระเบิดวางอยู่ข้างหน้าเดินไปเหยียบได้ใช่ไหมถือว่าไม่ฉลาดเอามากๆเลยนั้นคนที่เห็นแต่บางคนนี่มันเก่งยิงคิดเห็นเป็นอากุศลได้หมดเลยคิดเป็นปานาติบาได้หมดเห็นพื้นก็เออฆ่าได้ยังไงเคยดูภาพยนตร์ไหมมันมองทุกอย่างเป็นอาวุธได้หมดเลยอะ่ะ ถางใบไม้พวกขวดพวกกาห์น้ำพวกโต๊ะพวกเตียงพวกตังพวกสารพัดนะมันมองเป็นอาวุธได้หมดเลยอ่ะฆ่าได้ทุกอย่างในราวบันไดมันอาศัยฆ่าได้หมดเลยนั้นบางคนที่สะสมวิชาปานาติบาศไว้จนชำนาญมากๆพร้อมที่จะถูกฆ่าได้ทุกแห่ง บางคนวิชาทินนาทานมันมองวิธีโกงวิธีลักวิธีขโมยเงิงนในกระเป๋ามันลวงเอาได้ยังไงเป็นต้นเนี่ยมันคิดได้ขนาดนั้นนะวางแผนตั้งแต่แบบโจรกระจกกระจกล้วงกระเป๋าจนถึงโจรครอบโกงทั้งแผนบ้านทั้งเมืองในกันนะก็มีอยู่หลายระดับด้วยกันพวกกามเมก็โอ้ยสารพัด ท, ที่จะมีวิธีการมากมายเนี่ยนะแล้วก็มูสาวาสบางคนเนี่ยพูดอยู่ครึ่งชั่วโมงจริงสักเรื่องหรือเปล่าก็ไม่รู้เล่าไปเรื่อยเนี่ยนะ บางคนก็โอ้โหเมาแอะอยู่นั่นแหละแอลกอฮอล์ไม่เคยออกจากตัวเลยก็สาปตัวเองให้ว่าต่อไปเนี่ยนะคือคือถ้าแอลกอฮอล์อยู่ในเส้นเลือดสภาพของใจนี่มันจะเป็นอย่างไรนั่นแหละคือพบต่ อ, ต, อต่อไปในอนาคตของเขาบางคนก็บอกโอ้ยเหนื่อยมามากไหนๆก็ให้ความสุขแก่ตัวเองบ้างเขาบอกงั้นเมาให้มันตลอดเลยวันนั้นเันหรือให้ความสุขดื่มยาพิษ ช, ชัดๆบอกว่าแหมให้รางวัลกับตัวเองที่ไหนได้ให้รางวัลหรือลงโทษตัวเองกันแน่เนี่ยนะ ลงโทษตัวเองอะชาตินี้นางลงโทษขนาดนี้เมาไม่มีสติสตาอะไรแล้วก็ครอบครัวเขาก็รําคาญราคาญเลยนะแล้วก็พยายามหลบพยายามหลีกพยายามเบือนหน้านี้เป็นต้นนี้ขนาดชาตินี้อย่างอย่างนี้แล้วชาติต่อตอไปจะเป็นยังไงน้อ no, เนี่ยนะแล้วก็ถ้าปฏิสนที่เนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยนะมันจะทุกข์ทั้งหลายก็ประดังเข้ามาเหมือนกับว่าในเรือนจำเนี่ยนะเป็นที่ลงโทษสารพัดอย่างฉันใดใครที่แหมความทุกข์เริ่มดังเมื่อไหร่เริ่มดังเดินเข้าประตูเรือนจำนั่นแหละ ผลการเกิดในพบใหม่การปฏิสนธิการถือกําเนิดเกิดมาเนี่ยนะแต่ถ้าแบบเป็นคนไม่คิดอะไรมากเนี่ยนะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปมีอะไรก็แก้ไปมีอะไรก็แก้ไปถ้าอย่างงี้ไม่ต้องไปคิดอะไรมากถ้าอย่างนี้ก็สบายใช่ไหมแต่อวิชาคือไม่รู้อดีตวิชาอวิชาคือไม่รู้อนาคตอวิชาไม่รู้ทั้งอดีต ท, ทั้งอนาคตไม่รู้อะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลอะไรเป็นกรรมอะไรเป็นผลของกรรมไม่รู้เราว่าปฏิสนธิเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยทุกเหล่าไหนจะตามเข้ามาบ้าง สารพัดทุกข์นั่นแหละนี่ดีนะเราเกิดมาในยุคที่ถือว่าโลกสงบร่มเย็นพอสมควรถ้าเกิดผิดยุคหน่อยเนี่ยนะหรือเกิดผิดประเทศหน่อยอะไรจะเกิดขึ้นเกิดผิดประเทศเกิดหรือเกิดผิดยุคหน่อยเนี่ยนะันเต็มไปด้วยสงครามไปหมดเต็มไปด้วยการเข็นการฆ่าเต็มไปด้วยจราจลเป็นมิขสันีอยู่บนโลกเนี่ยนะเขบอกว่าบางประเทศที่ผ่านมาบอกใครยิงปืนแม่นคนนั้นอายุยืนอีกหน่อยหนึ่งไม่ใช่อายุยืนตลอดไปนะอายุยืนได้อีกหน่อยหนึ่ง เพราะจะมีคนแม่นกว่ามาฆ่าต่อเนี่ยนะก็จะเป็นลักษณะนี้อันนี้คือการทุกข์ของการเกิดอีกอย่างหนึ่งปฏิสนธิวิญญาณเนี่ยเปรียบเหมือนชายผู้ประพฤติชั่วชา้านามรูปมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยก็เหมือนกับปากบาดแผลที่เกิดขึ้นแก่ชายคนนั้นเพราะถูกหอกทั้งหลายแทงแล้วเพิ่งเห็นการเกิดขึ้นแห่งทุกข์มีประการต่างๆสําหรับวิญญาณเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยพอหลังจากนั้นก็ถูกลงกรรมกรสาสบสองประการ ลงกรรมกรสามสิอย่างมีอะไรเป็นการลงโทษแบบสมัยโบราณเนี่ยนะเช่นเอา meet, cutter, มีดคัตเตอร์เนี่ยมากรีดผมเนี่ยเอามาถลกหนังขึ้นมาแล้วก็เอาเลื่อยเนี่ยเลื่อยกระโหลกแล้วก็งัดขึ้นแบบงัดมะพร้าวงั้นนะเคยเปิดมะพร้าวไหมแบบนั้นงัดขึ้นแล้วมีจะ ม, มันสมองเสร็จแล้วก็เอาก้อนก้นอนถ่านร้อนๆผ่านเหล็กนะแล้วก็หยอดลงไปมันก็มาเคี้ยวน้ําส้มสมองก็ไหลออกมาแล้วนะแล้วก็แบบแบบเรียกว่าไม่มีฉีดยาชาอะไรสักนิดเดียวนะ ถูกพาเนี่ยนะก็ตอนทํากรรมนี่ทํายังไงมันก็ได้รับผลอย่างนั้นแหละเสร็จ แ, แล้วอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะก็เช่นถูกแบบถลกหนังทั้งเป็นเนะี่ยถลกหนังข้างบนให้นุ่งข้างล่างถลกข้างล่างให้เดินแล้วก็ถลกเสร็จแล้วก็ปล่อยให้เดินแบบถลกหนังกบแล้วก็ปล่อยให้กบเนถลกหนังไปไว้ที่ที่ขามันเสร็จแล้วก็ปล่อยให้มันไปอย่างนั้นลักษณะนั้นก็มีก็มีเด็กบางคนเนี่ยเล่นแปลกบ้างมันให้เด็กเนี่ยเดเอะให้ให้ปลาเนี่ยมันจับปลาในน้ํามาแล้วก็เอาประทัดยัดเข้าไปในปากแล้วก็จุดดประทั จุดประทันแล้วมันก็ระเบิดตุ้มเนี่ยนะมันก็ยิ้มมีความสุขมากนะนะพวกนี้ก็ทํากรรมประเภทนี้ฉั้นพวกมนุษย์ทั้งบางคนนี่ก็เหมือนกันไปไปแล้วก็ระเบิดตายกระจุยอย่างภาพยนตร์สมัยใหม่เราดูในในตามภาพตามอะไรดูสิมันมีความสุขกับการดูระเบิดแหลกลานไปกับต่อหน้าต่อตาเลยนะเปลวไฟลุกท่วมแหม่มีความสุขมากตื่นเต้นมากนันั่นแปลว่าอัธยาศัยของใครก็อัธยาศัยของสัตว์นรกชัดๆเลยนะฉั้นถามว่าถ้าเจตนาเหล่านั้นให้ผลแล้วไปอยู่ที่ไหนมันก็ ประโยชนในภพที่มันเดือดร้อนอย่างนั้นเขาไม่รู้จริงๆในะความความเพลิดเพลินเนี่ยเหมือนแมลงเมาเรียบร้อยแล้วความรู้สึกจิตวิญญาณไม่ต่างอะไรจากแมลงเมาที่มีความสุขกับการเล่นกับไฟไปแล้วเพราะความเข้าใจวิปริตวิปราชคลาดเคลื่อนทันสมัยมากนะทันสมัยมากก็โอ้โหตกนรกแบบทันสมัยเนี่ยไม่ไหวตอนก็ลงถูกลงโทษนะกาลงโทษยิ่งลงโทษโบราณด้วยนะยิ่งโหร้ายทารุณมากนะแบบเขียน แล้วก็นักโทษแบบนี้ก็ยังธรรมดาหนะ่อยนักโทษสงครามนนกกนเนี่ยหนักกว่านี้เยอะนักโทษสงครามนี่จะไม่มีความตราณีในหมูสัตว์จะมองแบบมองอีกฝ่ายเนี่เหมือนกับผักเหมือนกับปลาทําทุกอย่างฉีดเชื้อโรคเล่นๆใส่ก็ได้ทําได้ทุกอย่างไปหมดไปหัน่น ไ, ไปเถือไปแล่ไปแบบผ่าสดๆผ่าเป็นๆตัดทําได้ทุกอย่างหมดเลยเนี่ยนะนักโทษมันจะตัดอะไรเล่นจะทํายังไงก็ได้เพราะยิ่งนักโทษสงครามที่ที่เขาทำเนี่ยทำโหดเยี่ยมมาก ทีนี้ถ้าไม่ถูกแบบลงโทษแบบนั้นนะอะไรโรคมันเล่นงานโรคมันเล่นงานก่อนไปเยี่ยมพระที่โรงพยาบาลนะนะถูกเจาะคอบ้งถูกเสียบสายยางที่จมูกบ้างก็ถูกห อ, อกน้อยๆมันทิ่มลงไปนะทิ่มตามจมูกทิ่มตามอะไรที่เรียกว่าโรคปอดโรคอะไรนั่นแหละโรคอะไรน ะ, โ ร, ะรนะโรคพวกสิสุบุรีนะถุงลมโป่งพอ ง, องหายใจไม่ได้ก็ต้อง สอดอันนั้นเข้าไปสอดสายยางพูดก็ไม่ได้ต้องหาเครื่องมาแล้วก็ง่ายๆเ น, นะบอกเป็นหลวงพ่อเป็นมานานนี่ย่างบอกสิกว่าปีแล้วแบบนั้น10กว่าปีแล้วถ้าพูดอย่างนี้ตั้งแต่แรกใครจะให้บวชนะนะอามะพันเตไม่ได้เอสาหังพันเตขอบวชอะไรไม่ได้สักอย่างแต่พอบวชเข้ามาแล้วโรคมันให้ผลก็นอนอยู่นั่นแหละเสียงมี่แหบเพราะอะไรเสียงอะไรนะีมันเวลากรรมมันให้ผลนี่คง น, นั่ก็บอกเนี่ยผมเนี่ยเป็นมะเร็งใต้ลิ้นแบบนั้นจะจะผ่าแล้วพรุ่งนี้ก็ผ่าแล้วแบบนั้น มะเร็งใต้ลิ้นคนหนึ่งว่าโอ้เป็นหาเรื่องหูคนหนึ่งก็เรื่องคอมาพอดีไปผแผนกอะไรนะคอหูจมูกตาอะไรแถวๆนั้นนะแต่ถ้าไปผแผนกอื่นนะมันก็มีทุกส่วนนั่นแหละเนี่ยนะให้ผลใ น, นขนาดพระอย่างนี้เลยนะแล้วคนอื่นๆทั่วๆโลกนี่จะเป็นยังไงนาะมันโรคสรารพัดอย่างก็ลงมีตา ก, ก็โรคตามีหูก็โรคหูมีจมูกก็โรคจมูกมีปากก็โรคปากมีลิ้นก็โรคลิ้น มีคอกระโรคคอมีศีรษะกระโรคศีรษะมีเส้นเลือด ก, กะโรคเส้นเลือดมีมันสมองกระโรคมันสมองก็ไล่ไปตรงไหนที่มันมีโรคไม่ได้บ้างนั้นสารพัดโรคที่มันยั่งลงเข้าไปเนี่ยนะ น, นี่คือโทษของปฏิสนธิเพราะเกิดมาแท้ๆจึงทุกข์อย่างนี้ทุกข์เหล่านี้ที่ได้ยินอยู่นี้เพราะว่าการเกิดถ้าเขาไม่เกิดก็จะทุกข์เหล่านี้ไหมบางคนก็บอกขอเกิดแบบไม่ทุกข์ได้ไหมเรียกว่าขอเกิดแต่ไม่ขอมีข้อผูกพันใดๆทั้งนั้นเกินไปไมัน มาทำไมเกินไปมันอยากได้แต่อะไรแบบไม่มีข้อผูกพันมันมีที่ไหนทุกอย่างมีแต่ข้อผูกพันทั้งนั้นแหละทั้งผูกทั้งพันให้เฝ้าอยู่ในวัตตะเนี่ยนะจะมามีลิขสิทธิ์พิเศษหรือจะมีสิทธิพิเศษอะไรในวัตตะไม่มีไม่มีใครมีสิทธิพิเศษอะไรในวัตตะแน่นอนนะเพราะันทุกเหล่านี้ก็เหมือนกับคนที่ทําความผิดต่อพระราชาพระราชาในที่นี้เป็นชื่อของกรรมนั่นแหละะผู้ที่มีความผิดในกรรมกรรมก็โยนในลุมฐานเพลิงก็กลายเป็นนักโทษ แต่ถ้าเห็นอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนอยู่อย่างนี้ตลอดนะอาหารเหมือนกับเนื้อบุตรบริโภคอาหารทุกอย่างเหมือนกับเนื้อบุตรเห็นผัสสะเหมือนกับแม่โคหนังปอกเห็นมโนสันเจตนาหาอันเหมือนกับชายสองคนที่จับไปโยนในหลุมฐานเพลิงมองเห็นปฏิสนธิจิตมองเห็นการเกิดในภพใหม่เหมือนถูกห อ, อกแทงเวลาสามร้อยเล่มนั่นนะคิดอย่างนี้บ่อยๆนี่จะเบื่อจากวตาไหมมาแล้วเบื่อจากวตาแล้วชีวิตจะมีความสุขหรือ เห็นอะไรมันมีแต่ทุกข์มีแต่โทษมีแต่ปัญหาไปหมดเลยเนี่ยเราจะมีความสุขหรือชีวิตมันก็หมดอสสาธามันก็หมดเยื่อใยหมดความเพลิดเพลินสิคนไม่มีความเพลิดเพลินจะมีความสุขมาจากไหนน่ารื่องียจนะจะมีความสุขมาจากไหนแหมมันต้องให้รางวัลชีวิตมั่งดิให้สบายๆหน้าเพลิดเพลินหน้ายินดีดีกว่าไม่ใช่หรือก็ถามว่าถ้าเห็นอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยหน้าเบื่อหน่ายใช่ไหมความเพลิดเพลินจะเห็นเป็นของเล็กของน้อยไปเลยใช่ไหมบอกใช่ ทีนี้เมื่อมันมีสุขที่ดียิ่งกว่าทําไมไม่หาสุขอย่างอื่นแล้วก็เมื่อสุขเหล่านี้มันเจอด้วยทุกข์ด้วยโทษเจอด้วยสรารพัดทุกข์เจอด้วยสารพัดปัญหาพระพุทธเจ้าก็หาทางออกบอกนี้คือทางออกทางคือองค์แปดนี่แหละคือทางออกถ้าเธอปฏิบัติทำนี้แล้วเธอจะถึงความแห่งทางแห่งความสุขเป็นการปฏิบัติเพื่อความสุขที่แท้จริงถ้าเธอประสบความสุขเหล่านี้ความทุกข์เหล่านั้นไม่มีอีกแล้วเนี่ยนะนะพระพุทธเจ้าพูดแต่ทุกข์กับความดับทุกข์ ตรงชี้ทุกและจะได้ชี้บอกนี้คือความดับทุกชี้ว่านี้ความทุกนี้ความดับทุกนี้เหตุแห่งทุกนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกขถ้าเธอพิจารณาเห็นโทษอย่างนี้บ่อยๆก็จะเบื่อหน่ายความเบื่อหน่ายก็เป็นเหตุให้คลายกำหนัดความคลายกำหนัดนั่นแหละเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่เกิดขึ้นเพราะอารยมมิยมรรคสุขยิ่งกว่าที่ปไตยของพระเจ้าจักพัฒ สุกกว่าสวรรค์ทั้งยีสิบหกชั้นก็คือสุขที่เกิดจากโสดาปฏิมร์เนี่ยนะอันนั้นเป็นสุขยิ่งกว่าสวรรค์ทุกชั้นอีกและเป็นสุขที่ไม่มีทุกข์ไม่มีโทษไม่มีพิษไม่มีภยัยเพราะนั้นการสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดการแสดงก็เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเนี่ยนะเหมือนกับอะไรเหมือนกับพ่อแม่ที่แบบชี้ให้เห็นโทษของยาเสพติดทุกตลอดสายเนี่ยเพื่ออะไรก็เพื่อว่าจะต้องไม่รับไปรับทุกข์โทษเหล่านั้นจะได้ไปรับความสุขที่ดีกว่าที่ประณีตกว่า ไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นอะไรนะเป็นคนขวางคออะไรเราหรอกบางคนก็บอกอุย้ยทำไมมาขวางความสุขกันขนาดนี้นจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าขวางความทุกข์มากกว่าความทุกข์ใดๆที่จะมีต่อไปในอนาคตพระองค์ก็มามาห้ามมาป้องกันเนี่ยนะด้วยเมตากับด้วยกรุณาต่อสัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นผู้ใดเห็นวิญญาณอาหารเช่นกับผู้ถูกหอกแทงด้วย ด้วยหอกวันละสามร้อยเล่มอย่างนี้พิสูจนนั้นจะครอบงำความยินดีในวิญญาณนาหารได้ยินดีที่จะยินดีในจิตต่อไปได้เนี่ยนะเบอร์ไนตัวความคิดสักทีหนึ่งพระพระองค์ก็เลยเปรียบเทียบด้วยการถูกหอกแทงวันละสามร้อยเล่ม